รู้จักเทวทูตไหมเทวทูตนะทูตนะของความแก่ความเจ็บความตายนะเขาก็เตือนเราเนานะเตือนความแก่ที่เกิดขึ้นกับร่างกายนะทุกๆวันนะผมที่งอกตาที่ฟ้าฟางร่างกายที่ ไม่แข็งแรงนะมีโรคไฟยไข้เจ็บหรือความตายนะที่เกิดกับคนที่รู้จักหรือคนที่ใกล้ตัวนะ<อ>ที่จริงความตายก็เกิดกับทุกๆวันนะแต่บางคนเราก็ไม่รู้จักนะแต่คนที่รู้จักก็ อ, กอาจจะทําให้เราได้คลายชุกคิดขึ้นมามากขึ้นว่าเออ เขาก็ไปแล้วไม่รู้เราก็จะวันไหนนะอืมเนี่ยแหละเทวทูตนะเขาส่งจดหมายเตือนสติเราให้เราอให้เราไม่ประมาทเนาะคนที่ประมาทก็คือเนี่ยประมาทว่าเราคงอยู่อีกหลายสิบปีเราคงน่ะจะอยู่จนถึงแก่ตายนุ่นเนาะเราคงไม่เราคงยังไม่ใกล้ เราคงไม่ป่วยง่ายๆหรอกนะเราคงแข็งแรงอีกสักพอสมควรนะเราคงมีชีวิตอยู่อีกนานพอสมควรเอนีเนาะเนี่ยนะความประมาทนะในในมุมของร่างกายนะในมุมของจิตใจก็เนี่ยเราคงคล้ายๆจะเกิดเหตุอะไรขึ้นมาในชีวิตเราก็คง สามารถรับมือกับมันได้นะเราก็คงไม่เป็นทุกขนะ์เมื่อเป็นมะเร็งนะหรือเมื่อของหายนะหรือเมื่อคนที่รู้จักหรือคนรักจากไปนะจิตใจเราเป็นยังไงรับได้ไหมเหรเนาะเนี่ยมันะนก็เตือนเรานะนะถ้าบางคนเจอบ้างแล้วเออไม่ผ่าน นะหรือว่ารู้สึกว่ามันเป็นทุกข์เป็นกังวลใจก็เออก็ให้ให้เราได้ดูนะเออเนีเ่เราก็ยังทำใจไม่ได้ยังไม่ผ่านนะก็เลยต้องเนมาขยันนะเอ่อมาขยันมาทำความเพียร น, นะมาฝึกให้มีสติเนาะอืมอสติเนะี่ยจะช่วยคล้ายๆทำให้เราได้ตั้งตัว ตั้งตัวตั้งใจกลับมากับชีวิตของเราได้แต่จริงการมีสติเนี่ยมันจะทําให้เห็นว่าความรู้สึกที่ว่ามันเป็นเราเป็นของของเรานี่ยแหละมันเป็นมายามันเป็นสิ่งที่สมมุติเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาแล้วเราก็ไปยึดเองนะความเป็นตัวเราเป็นของของเราเนี่ยแหละนะ ถ้ามีสติจริงๆอ่ะมันเห็นเป็นเพียงแค่รูปกับนามเนี่ยเนี่ยดูดูความรู้สึกเลยเนะี่ยมันมีความเป็นรูปกับน้ำเฉยๆนะแต่เราก็แต่มันก็คุ้นชินในความเป็นเรานะเออแต่จริงถ้าดูจริงๆนะขณะที่รู้สึกตัวเนี่ยรูปนะรูปเขาก็เป็นแค่รูปนะรูปที่เขาเคลื่อนไหวรูปที่เขาหายใจรูปที่เขา มีความทุกข์เนะี่ยมันรู้สึกถ้าเรารู้สึกรู้สึกตัวมานะเห็นร่างกายรวมๆอาจจะมีความชัดนะในบางขณะที่ใดที่หนึ่งก็แล้วแต่แต่มันก็เป็นสักแต่ว่ามันเหมือนเป็นเป็นก้อนนะก้อนหนึ่งที่มันขยับขยื่อนได้นะแต่มันก็มีความทุกข์อยู่ในในก้อนนี้นะ ทุกต้องหายใจทุกต้องปวดเมื่อยทุกต้องปรับเปลี่ยนนะเนะี่ยร่างกายเนะี่ยมันเป็นมันเป็นแค่รูปอย่างหนึ่งที่ที่มันต้องอาศัยเขาเนาะอืมแต่ตอนนี้เราอาศัยไว้เพื่ออะไรอาศัยไว้ดูเขาเนาะมีมีรูปนะที่เคลื่อนไหวแต่ใจเป็นผู้รู้ รูปเนะี่ยมันนั่งอยู่นะรู้สึกนะรู้สึกถึงรูปถึงร่างกายที่เขานั่งร่างกายเขาไม่ได้คิดอะไรนะร่างกายเขาไม่ได้มีอารมณ์อะไรนะเน่ะส่วนหนึ่งเนะี่ยที่มันนั่งอยู่เนะี่ยมันก็เป็นเพียงแค่รูปน ะ, นะไอ้ที่นั่งเฉยๆอย่เนี่แหละขยับบ้างนะอะเนี่ย หายใจบ้างนี่แหละนะง่วงนอนบ้างเนี่ยก็รูปเฉยๆนะไอแต่ไอที่มันที่มันรับรู้นะที่มันรับฟังที่มันคิดอะไรต่างๆเนี่ยออ ม, มันก็เป็นสิ่งที่เป็นนามนะแต่มันก็อาศัยรูปส่วนหนึ่งแต่ที่จริงใจจริงๆเนะี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะ ที่มันคิดหนีออกไปได้เนี่ยโอ้เนี่ยแหละนามร้วๆเลยนะไปบ้านก็ได้นะเอมันไม่ได้เกี่ยวกับลูกเลยที่มันไปอดีตที่มันไปอนาคตเนี่ยมันก็ไปของมันได้เลยนะเนี่ยนามมันหนีออกไปบ่อยมากนะมันมีแค่ลูกกับนามนะถ้าเราเรามีสติเราจะสามารถเห็นตัวนี้แหละนั้นตัว การศึกษาธรรมะโดยสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะท่านเน้นให้เราเห็นสมมุติที่มันยึดติดว่าเป็นตัวเราเป็นของของเราเนี่ยแหละนะแต่จริงมันไม่มีนะอืมในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์หรือแม้แ ต, ต่จิตวิทยานะหรือตะวันตกส่วนใหญ่คืออาจจะเน้นศึกษามาสู่ ชีวิตจิตใจขึนเหมือนกันนะแต่แต่การที่จะแทงทะอรู้ถึงความไม่มีตัวตนจริงๆเนะี่ยมันยากมากเพราะว่ามันยังมีตัวตนนะตัวตนที่เป็นทุกตัวตนที่เป็นสุขนะตัวตนที่ฝึกให้มันดีนะอะไรเนะี้ยความรู้สึกว่ามันเป็นตัวตนเนะี่ยมันมันยังผูกแน่นอยู่ แต่ทางพุทธศาสนาเ น, เน้นให้เห็นว่าความเป็นตัวตนที่แท้จริงมันไม่มีนะมันมีแต่ตอนที่มันสร้างขึ้นมานะอย่างรูปเนะี่ะมันก็เป็นของมันอยู่บบนี้นะเมื่อร่ที่ไปยึดมันนะแหละมันค่อยรู้สึกถึงความเป็นเรานะไปย t, ออึดรูปของเรานะหรือไม่แต่นามเองนะที่จริงตอนที่มัน มีอารมณ์มีความคิดจริงๆเนี่ยมันมันก็ยังไม่ใช่เป็นเรานะอ่แต่พอมันเข้าไปจับว่าเอ๊ะความคิดเนี้ยมันเป็นเรานะอารมณ์เนี้ยเป็นเราเนี่ยมันเริ่มเป็นทุกข์ของมันนะถ้าสักแต่ว่าแค่รู้รู้สึกถึงมันคิดของมันมันมีความรู้สึกอะไรของมันเองเนี่ยแค่รู้สึกแค่แบบนี้นะ เห็นมันว่าเออมันเป็นของมันเองจิตมันคิดของมันเองจิตมันสุขมันทุกข์ของมันเองอะไรนะถ้าเห็นแค่นี้เฉยๆนะมันก็ไม่ได้เป็นทุกข์นะอืมแต่พอเริ่มไปยึดว่าอืมเราคิดเราทุกขเราสุขอะไรเนี่ยเออมันมันเริ่มเป็นทุกข์ขึ้นมาละมันเริ่มนะคือนามธรรมนะอ่ามันก็สร้างความเป็น นามมารูปขึ้นมานะคือนามามาทำมันเป็นสิ่งที่มันเป็นอาจจะจับต้องไม่ได้นะแต่มันก็สร้างให้มันเป็นรูปขึ้นมานะเป็นเหมือนภาพขึ้นมาในเวลาคิดบางคนก็คิดแล้วเป็นภาพนะหรือบางทีความคิดมันก็ทําให้เกิดเป็นเป็นตัวตนขึ้นมานะ่ะกลายเป็นอะไรส่ง ส่งพลังงานออกมาให้เราจับต้องได้นะเวลาโกรธมันก็ส่งพลังงานความร้อนนะความอึดอัดอะไรนนะเวลาโรคเวลาอยากก็ส่งพลังงานของความกระสับกระส่ายความดิน้นรนออกมานะแต่เวลาหลงนี่มันเนียนมากนะ ม, นมันแบ บ, บแผลวแปวๆลอยนะ เออมันก็เป็นพลังงานนะเออมันเนี่ยนามรรมเนี่ยมันก็ส่งออกมาเป็นรูปของพลังงานให้ให้มันรู้สึกได้ว่ามันมันจะเป็นตัวตนขึ้นมาแล้วนะมันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแต่เมื่อเราไม่รู้เท่าทันเราก็เลยไปยึดว่าอันนั้นแหละคือตัวเรานะเราโกรธแล้วนะนะ่ะเรา อยากตนะ้นนะเราลด่งตนะ้นนะไปยึดนะมันเป็นเราแต่ถ้าดูจริงๆการมีสติเนี่ยเพื่อถอนถอนการเข้าไปยึดในตัวตนถอนการเข้าไปอยู่ในอารมณ์ตรงนั้นว่าเป็นตัวเราของเรานะก็ฝึกที่จะเรียกว่าออกมาเป็นผู้ดูมันนะ แ, แรกๆมันอาจจะรู้สึกไม่ชัดถึง ถึงความแยกกันระหว่างระหว่างรูปหรือว่านามกับสติน่ะมันอาจจะแยกไม่ชัดนะแต่ถ้าเรามีสติมากขึ้นมันจะตอนแรกมันแค่รู้สึกว่าเออมันก็แค่คนอันกันนะ่ยอย่างร่างกายเนี่ยรูปเนี่ยอันนึงนะใจที่รู้สึกถึงร่างกายก็อันหนึงนะ่งเนี่ยสติที่รู้สึกนั่นอันนึง หรือความคิดที่มันเผลอไปคิดนั่นก็อันนึงหรืออารมณ์มันก็อันนึ ง, อออนนงเออแต่ที่มันรู้นะเอาง่ายๆก็ได้นะเหมือนเวลาเราโกรธนะความโกรธก็อันนึงใช่ไหมเออดูตัวว่าโกรธน่ะมันก็อันนึงนะเห็นไหมเนี่ยคือมันก็แยกกันอยู่แล้วนะตอนที่มันอยากนะก็อ น, นึงนะตอนที่ก็อืมมันรู้ตัวว่า ม, มีความอยากเนะ่ะก็อันนึงนะที่จริงมันแยกกันอยู่แล้ว แต่ฟินเห็นว่ากำลังกำลังสติที่จะรู้เพื่อจะถอนออกมาจากมันเนี่ยมันไม่พอนะที่จริงมันแยกกันอยู่แล้วแต่เพราะมันไม่เคยฝึกนะกำลังในการมีสติมันเลยออกมาไม่ได้เหมือนเวลาโกรธนะรู้ว่าโกรธแต่ออกจากความโกรธไม่ได้เนะี่ยคือมันยมันต่างกันแล้วนะเอนอี่ยถ้าเราดูดีเอ๊ะ ตัวโกรธเป็นเราหรือว่าตัวรู้ตัวรู้ว่าโกรธมันเป็นเราเลยนะเอแต่จริงก็ไม่ใช่เราทั้งคู่นะแต่มันก็รู้สึกเนี่ยมันมีสองตัวอยู่ด้วยกันหรือเวลามันคิดบางทีก็คิดคิดโต้กันนะตัวดีกับตัวไม่ดีนะบางทีก็แย้งกันอตัวธรรมะกับตัวอธรรมสมมตินะอันนี้คือมันจะเห็นว่าตัวตนจริงๆมันไม่มีนะมันมีแต่ เออมันมีแต่สภาวะที่มันเกิดขึ้นมานะสภาวะที่รู้กับสภาวะที่หลงสภาวะที่ปุงแต่งนะแล้วก็แต่เราจะรู้ทันมันหรือเปล่าเนี่ยคือมันก็เริ่มเห็นแบบนี้นะแต่เนี่ยสิ่งที่เราจำเป็นต้องมาฝึกฝึกให้มันสติมันมีฐานนะสติมันมีกำลังเพราะว่ามัน มันต่แรกมันแค่รู้สึกนะเราก็เริ่มมีปัญญาและรู้สึกได้ถึงความมันไม่ใช่ตัวตนเดียวกันตลอดความเป็นเรามันไม่ใช่เป็นรูปร่างเดียวตลอดนะนอ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นกายก็ดีนะอ่ไม่ว่าจะเป็นใจก็ดีเนะ่มันไม่ใช่เป็นตัวตนตัวเดียวตลอดเวลานะแต่มันแต่มันก็อาจจะรู้สึกถึงว่าเอมันเหมือนตัวเดียวแต่มันเปลี่ยน เปลยนอย่างนั้นเปลี่ยนอย่าง น, น, น, างนี้แต่ถ้าเรามีสติจริงๆเนะี่ยเราจะเห็นสิ่งที่เรียกว่าช่องว่างของของตัวตนนะเออช่องว่างของอาการต่างๆเนะี่ยมันมีช่องว่างที่มันมันไม่ได้เชื่อมกันจริงๆนะเหมือนถ้าเราเห็นท่าตาเราละเอียด น, นะมองที่เสื้ออะนะ อย่าของพระก็จีวรนะของโยมก็เสื้อต้นเกงนะมันมีมันมีช่องว่างของเส้นที่มันที่มันประสานกันมันไม่ใช่มันดูเหมือนเป็นผืนเดียวกันนะแต่ถ้าโดยจริงแล้วมันคือเส้นเส้นใหญ่ที่มันทอแนบกันจิตมันก็รู้สึกแบบนั้นนะเราถ้าแรกตอนเห็นเป็นตัวเดียวกันไปหมดเลยนะอารมณ์นึงเนี่ย ยาวมากแต่เมื่อสติไม่เห็นจริงมันเหมือนแห ว, แวกแหวกที่เห็นว่าช่องว่างอความว่างนะจากการมีตัวตนความว่างจากการปรุงแต่งเนี่ยมันมีอยู่นะมันเห็นสันตตินะความต่อเนื่องความสืบเนื่องเนี่ยมันขาดนะขาดเพราะอะไรสติทําหน้าที่แทรกนะรู้ทันนะ รู้แต่มันหยุดปรุงแต่งนะมันปรุงแต่งแล้วมันสะดุดมันหยุดนะมันเห็นช่องว่างของของการที่จิตไม่ปรุงแต่งนะแต่มันก็ถ้าดองอีกก็ปรุงไปอีกนะเอนะปรุงไปชอบบ้างไม่ชอบบ้างนะเออันเนี้คือมันเห็นช่องว่างตัวนี้มันจะรู้สึกเอ้ยตัวตนจริงๆอ่ะมันไม่มีนะ เออตอนที่มีสติดูจริงๆเนี่ยเอยตัวต น, นจริงๆไม่มีความคิดแล้วที่ไปยึดว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยมันมันหลอกลวงได้ว่าเนี่ยมันเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นตรงนี้นะเห็นแต่ตัวเนี้ยแต่พอบางคนประพิมพประพายในการเห็นเห็นความคิดนะไม่ใช่ตัวเราเห็นช่องว่างนะ ของการปรุงแต่งที่ถูกแยกออกมาได้น่ะมันทีก็ตกใจนะคือตกใจในความรู้สึกเหมือนเราต้องเราสูญเสียตัวตนอะ่ะมันเหมือนคนเสียเซลล์อ่ะแบบเราเคยมีเซลล์ของเราเป็นนั่นเป็นนี่นะแล้วเอา้าพอมันถ้ามันไม่มีตัวเรามันจะอยู่ยังไงเนาะเราเคยมันเคยคุ้นเคยกับการอยู่แบบมีตัวเราอืม ท้าเปรียบเทียบเหมือนสมมติเราคุ้นเคยในการพึ่งพาอาศัยใครสักคนเยอะๆแล้วพอคนนั้นเขาไม่อยู่อ่ะมันก็เคว้งนะอะบางคนภรรยาคุ้นเคยกับการฝากชีวิตไว้กับสามีสมมติพ อ, <c oughs> อสามีไม่อยู่เอาเคว้งนะอืมบางคนเป็นแม่ยี่สิบปีเนี่ยเคย จิตใจเนี่ยจะจอดอยู่แต่การดูแลลูกพอวันนึงดูเข้าไปของเขาอิสระเนี่ยก็เคว้งใช่อืมแต่นั้นเราก็อาจจะยังมีช่วงได้พักอยู่บ้างนะการเป็นภรรยาการเป็นแม่มการเป็นอะไรก็ยังมีความรู้สึกว่าเรายังได้พักบ้างนะแต่มันก็เราก็ทุ่มเยอะแต่ความรู้สึกในความผูกพันในการมีตัวเราอะ่ะมันแน่นมากนะ มีตัวเราอยู่ในสิ่งต่างๆในสมมุติที่เป็นน่ะเยอะมากเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นอาจารย์เป็นหมอเป็นอะไรก็มันมีเป็นคนไทยเป็นคนจีนเป็นอะไรก็ไม่มีความเป็นแต่มันก็เป็นสลับไปเรื่อยๆมันก็เป็นตัวเราทั้งนั้นเลยแต่พอรู้สึกว่าเออตัวเราจริงๆไม่มีนะอืม ตัวเราจริงๆไม่มีตัวเราจริงๆก็คือการสร้างขึ้นมาเองนะสร้างขึ้นมาเองแท้ที่จริงแล้วมันมีแค่รูปกับนามนะรูปนามมันไม่ใช่ตัวเรานะเห็นอาการนะของรูปนามที่มันมันเปลี่ยนไปของมันเรื่อยๆนะอาการนะดูมันเป็นเพียงแค่อาการที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะดู ดูให้มันค่อยๆพัฒนาสภาวะที่เพียงแค่รู้สึกได้นะเราพัฒนาตัวสติไปเรื่อยๆกำลังมันมากขึ้นมันถอนออกมาความว่างช่องว่างระหว่างสภาวะที่มันเกิดขึ้นเป็นอาการตัวเนี้ยกับตัวสติที่เป็นผู้ดูมันอ่ะมันจะมีช่องว่างให้เราเห็นว่าโอ้มันบางทีบางอาการนี้มันในตัวมันอ่ะเป็นทุกข์มากเลย นะเช่นสมมติอาการของร่างกายที่มันปวดเมื่อยที่มันเป็นทุกข์นะพอเรามีสติเห็นความเป็นอาการของมันได้เนี่ยคือจิตมันไม่เข้าไปอยู่ในในตัวที่มันเป็นทุกข์นะแต่มันรับรู้อยู่ว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นทุกข์นะมันจะอยู่ได้ครูบาอาจารย์นะหรือนักปฏิบัติธรรมที่เวลาอยู่กับความร้อนอยู่กับ ความปวดความไม่สบายกายแล้วแล้วท่านอยู่กับมันได้อะเหมือนคนไม่ทุกข์ร้อนอ่ะนะคือคือเพราะว่าไม่ได้เอาใจเข้าไปอยู่ในในรูปนะถ้าภาษาแบบหลวงพ่อคำเขียนนะบอกว่าแต่เหมือนอยู่กับความไม่เป็นอะไรกับอะไรคือมันเห็นถึง ร่างกายก็ดีจิตใจก็ดีมันไม่ใช่ตัวเรานะมันอยู่กับความไม่เป็นอะไรกับอะไรนะแต่ความไม่เป็นอะไรกับอะไรเนะี่ยไม่ใช่เป็นตัวที่ท่านสร้างขึ้นมาแล้ว เ, เข้าไปอยู่นะแต่มันหมายว่าจะเรียกว่าไม่ได้อยู่กับอะไรเละถูกที่สุดนะคือไม่ได้ไม่ได้เอาใจไปฝากไปอยู่กับอะไรหรือแม้แต่เราคุ้นเคยกับการหายใจนะอย่างหลวงพ่อเห็นท่านบอกว่า พอสุดท้ายมันหายใจไม่ได้นะก็อย่าไปฝากชีวิตไว้กับลมหายใจ <c oughs> คือบางคนตอนที่มันจะหายใจไม่ได้มันก็พยายามที่จะหายใจเนาะเพื่อเราเพราะรู้สึกถึงว่าเราต้องพยายามที่จะต้องมีชีวิตต้องพยายามที่จะมีชีวิตก็เลยต้องฝากทุ่มเททุกอย่างไว้กับการต้องพยายามหายใจนะต้องพยายามหายใจมันจะได้ฝืนจะได้ไม่ตาย แต่พอถึงที่สุดแล้วถ้าร่างกายมันหายใจไม่ได้นะเราทิ้งนะอย่าไปฝากชีวิตไว้กับลมหายใจนะหายใจไม่ได้ก็หายใจไม่ได้ทิ้งนะทิ้งทิ้งรูปทิ้งร่างกายนะไม่ไปยึดไม่ต้องไปฝืนมันนะั่นคือมันวางนะคือไม่เอาชีวิตจิตใจไม่เอาตัวตนไปอยู่ในสภาวะอะไรต่างๆนะ อาจจะเรียกว่าความไม่เป็นอะไรกับอะไรอาจจะเรียกว่าความว่างจากการปรุงแต่งอะไรหรือแต่อาจจะเรียกว่าการที่ไม่เข้าไปยึดในสิ่งต่างๆก็ได้อันนี้คือมันมันจะเห็นเห็นตรงนี้แล้วมันก็จะออกมาออกมาก็อยู่กับสภาวะที่ร่างกายเป็นทุกข์ร่างกายตายแบบนีน้อย่างหลวงพ่อ เฉพาะคำเขียนตอนที่ท่านจะรักสังคารนี่แบบเราเคือมันรู้สึกเห็นชัดนะมันทั้งรู้สึกแล้วก็เห็นได้ตาเนอะรู้สึกได้ใจนะในการที่อยู่ใกล้ในตอนช่วงนั้นแล้วก็เห็นได้ตาว่าความไม่หวั่นไหวอะความไม่หวั่นไหวความเป็นปกตินะความไม่รู้สึกกลัวความตายความ รู้สึกถึงความมั่นคงไม่ไม่กลัวการพัดภาคสูญเสียอะไรนะ่ะของพ่อชัดเจนมากนะก็แค่ทากิจนะ เ, เข้าห้องน้ำนะ่ะถ่ายหนักไทายเบาร้างหน้าร้างตากลับมานอนกลับมาเขียนบอกลาก็เป็นแค่กิจแบบนั้นไม่ได้รู้สึกว่าเออด่างกายจะตายแล้วนะ ต้องทนทุกทรมาร์อะไรก็เรื่องความลําบากก็เป็นแค่เรื่องของร่างกายนะแต่ใจเนี่ยนิง่งราบเรียบเหมือนกับเหมือนคล้ายๆเหมือนกับแผ่นดินที่มันเรียบอะมันเรียบเสมอนะไม่มีไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้สึกไม่เห็นถึงความกระเพื่อมนะของอารมณ์นะในขณะที่ธาตุขันกําลังจะดับ น, นี่คือจิตที่ฝึกดีจริงๆคือทิ้งรูปนะที่จริงก็ทิ้งมานานแล้วแหละแต่ก็ทิ้งแบบตอนที่มันยังใช้ได้ก็ทิ้งแบบทิ้งในการเข้าไปยึดนะเนาะทิ้งในการเข้าไปยึดว่าเป็นรูปของเราจริงๆแต่ก็คือรู้จักใช้นะใช้นะเหมือนของที่เขายืมมามานะหรือของที่เรารู้สึกว่า เราซื้อมาก็เอามาใช้ก็ใช้ทนุถนอมใช้ให้เกิดประโยชน์แต่พอมันจะพังอะ่ะมันเหมือนทิ้งแบบอ่เาเนะหมือนรถเราอะนะสมมติรถอ่ารถไฟไหมขึ้นมาเนี่ยมันออกมาจากรถเลยนะไม่ได้แบบห่วงรถห่วงรถเหมือนบ้านนะไฟไหมเนะี่ยถ้าบ้านของเราเนี่ยเราก็ต้องไปอยู่ต้องไปรักษาแบบไปยืนนะแต่บางที มันไฟไหมเยอะนะเราทําอะไรไม่ต้องทิ้งออกมาออกมาแบบแต่ออกมาแบบไม่อะไรนะอาวรนะเอแต่คนถ้าเราไม่มีสตินะมันจะออกแบบอะไรอาวรลมันไม่ใช่ทิ้งนะนะแต่ถ้าแต่คนที่มีสตนะิมันทิ้งออกมาแบบอะไรวรมันใช้ไม่ได้ก็ไม่ใช้ไม่เรา ก, ก็ไม่ได้เป็นการไปหาพบใหม่ด้วยนะแต่ถ้าจิตที่ขาดสติ นะมันอาจจะรู้สึกว่าร่างกายเนี้ยมันตายแต่ความที่ยังยึดว่าจิตมันเป็นเราอะมันเหนียวแน่นมากเรากาลังจะตายเราจะไปพบไหนแม้แต่การคิดถึงบุญหรือว่าบาปนะก็ยังเป็นความเป็นเรานะแต่บางทีเวลาเราน้อมส่งคน คนทั่วๆไปนะบางทีก็อาจจะน้อมให้คิดถึงบุญให้ทคิดถึงกุศลเพื่อก็น้อมให้มันกลายเป็นตัวตนในทางที่ไปพบภูมิที่ดีเนาะแต่ถ้าสำหรับคนที่ปฏิบัติจริงๆท่านน้อมถึงความเรียกว่าอะไรไม่ยึดติดอะไรทั้งนั้นนะทิ้งทั้งรูปทิ้งทั้งนามเนะี่ยเห็นเห็น ความเป็นทุกข์ของรูปของนามอย่างแจ่มชัดเห็นว่านะ่มันไม่ควรไปยึดอะไรไม่ต้องไปเกิดใหม่แล้วเนะี่ยบาปก็บาปในตอนนี้มันก็ไม่มีบุญในตอนนี้มันก็ไม่มีนะไม่ยึดทั้งบุญทั้งบาปเนะี่ยไม่ต้องไปเกิดเพราะแรงบุญแรงบาปเนะี่ยมันมันวางเรื่องของจิตใจได้นะอย่างเนี้ยคือถ้ามีสติ ออกมาเป็นผู้ดูเห็นได้ก็มันจะมีอารมณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นมาแทรกก็ก็เรื่องของมันนะอันนี้คือเราต้องซ้อมไว้เราต้องฝึกไว้นะเออบางทีบางคนก็สามารถที่จะทำได้ตั้งแต่ก่อนที่เราจะตายนี่แหละนะแต่บางคราว ม, มันก็เอามาใช้ในตอนที่กำลังจะตายได้อันเนี้ยเทวทูตเนาะมันเตือนเรา ให้เราไม่ประมาทเพราะบางทีความตายเนี่ยบางทีเขาจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะบางคนเป็นโรคแล้วก็ยังรักษาจนทั้งตายเนี่ยก็ยังดีนะเอ อ, อย่างค่ยค่อยได้เตรียม ต, ตัวเตรียมใจว่าใกล้จะตายแล้วแต่บางคนเช่นอุบัติเหตุนะตายฉับพลันน์นะเออมันก็ หรือบางคนเป็นโรคที่ตายแบบเฉียบพลันได้โรคหัวใจอะไรนะมันก็มันเร็วนะชีวิตเนี้ยอย่าได้ประมาทเนาะเนะี่ยเราก็ค่อยค่อยฝึกนะในการมีสตินะดูพยายามดูให้มันบ่อยๆนะรู้สึกนะแค่รู้สึกถึงอาการนะเห็นสิ่งต่างๆเป็นอาการไม่ว่าจะดีไม่ดีนะอย่าไป ให้เรารู้ทันความหลงเข้าไปยึดในอาการว่าเป็นเรานะให้เรารู้ทันบ่อยๆในความที่เราหลงเข้าไปจัดการกับอาการต่างๆให้เป็นอย่างที่ใจเขาต้องการนะการคิดใจมันมีความอยากมีความต้องการเนี่ยมันจะสร้างตัวตนขึ้นมาแล้วนะแล้วก็เลยเกิดเป็นเนี่ย เป็นตัวของเรามันอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เลยหลงเข้าไปจัดการนะการที่จะทำให้จิตมันถอนออกมาจากนั้นได้น่ะนะคือรู้ทันตัวที่มันหลงเข้าไปจัดการรู้ทันตัวที่มันไม่ปกตินะแล้วมันจะปกติเองนะในการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เราไปสร้างสภาวะที่ปกติ เราไปสร้างสภาวะความว่างเราไปสร้างสภาวะของความไม่ทุกข์นะไอตัวนั้นอ่ะเป็นตัวพบชาติหน่วยกันแม้มันจะเป็นพบชาติที่ดูดีมากนะแต่เมื่อไรที่ดลงไปสร้างนะก็ไม่ใช่ของจริงละแต่ที่จริงมันเป็นเพียงแค่การรื้อถอนฮนะรื้อถอนรื้อถอนสิ่งที่มันลงไปสร้างขึ้นมา นะเหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพอท่านตัดสู่นะท่านอุทานกับตัวเองว่าในช่างผู้ปลูกเรือนนะเรารู้จักเจ้าเสียแล้วต่อไปเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะคืออะไรสมมติพื้นดินเนี่ยมันว่างจากการมีบ้านมีเรือนนะแต่เราก็ยังหลงนะไปสร้างสร้า ง, างบ้าน ให้เป็นที่อยู่ <c oughs> คิดว่าแล้วมันก็เป็นที่ที่เราไปยึดว่าเป็นตัวเราเป็นของเรานะนี่คือคือจากพื้นดินว่างๆเราก็มาสร้างนี่บ้านของเรานะเราต้องรักษาบ้านนี้นะบ้านก็คือภพภพภูมิที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยแหละนะภพน้อยภพใหญ่นะภพใหญ่คือภพรู้สึกความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นเราเป็นมนุษย์เราเป็นคนนะ เราพบน้อยคืออะไรความเป็นตัวตนที่มันเกิดพบน้อยเนี่ยเราเป็นคนดีอ่าเราเป็นคนต้องมีศีลอ่าแม้แต่เราเป็นนักปฏิบัตินะบางทีก็เป็นพบนะคือนักปฏิบัติต้องต้องต้องไม่เผลอพูดคำหยาบนักปฏิบัติต้องเรียบร้อยนักปฏิบัติต้องนิ่ง นต้องอย่าแสดงอารมณ์นะบาทงทีก็คงคิดว่านักปฏิบัติก็ยิ้มไม่ได้นะยิ้มไปเดี๋ยวเรียกว่าหงหัวเราะก็ไม่ได้นะบางที่เคร่งขนาดนั้นนะนักปฏิบัติต้องทำหน้านิ่งๆต้องสงบเสงี่ย ม, อ, มอันนี้ก็ก็คือบางทีเราไปสร้างภพนะของตัวเองนะนะแต่จริงลึกๆข้างในใจไม่ใช่เป็นแบบนั้นเลยนะ มันไปนสร้างภาพนะขึ้นมานะคือสร้างภพคือการสร้างเหมือนเราสร้างบ้านพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าโอ้เนี่ยโดงสร้างบ้านให้เป็นภพที่อยู่นะของใจนะไปยึดไว้ท่านรื้อออกมาพอรื้อบ้านนะบ้านสมัยก่อนก็คงเป็นไม้เป็นดินอะไรนะรื้อออกไปก็มันก็ย่อยสลายไปกับธรรมชาติมันก็ว่างจ้า พื้นดินก็ว่างเป็นปกติของมันการนื้อถอนความปรุงแต่งมันก็คือกลายเป็นความว่างนะกลายเป็นความเป็นปกตินะความว่างจากการปรุงแต่งความปกติความไม่เป็นอะไรอะไรนะ่ะมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ความหลงนั่นแหละมันเข้าไปสร้างขึ้นมาเนี่ยการพาวนาคือพอถอนนั่นนะการที่เรียกว่า ความไม่มีตัวไม่มีตนน่ะมันมีอยู่แล้วนะที่จริงนะบางทีถ้าเราจะพูดให้ถูกไม่ใช่ไปว่าเราไปทําลายตัวตนนะไม่ใช่การทําลายตัวตนมันเหมือนตัวตนมันมีอยู่จริงแล้วเราก็ไปทําลายมันแต่ที่จริงแล้วมันเป็นการเห็นว่าความไม่มีตัวตนน่ะมันเป็นของจริงนะเป็นความหลงที่มันสร้างตัวตนแต่พอรู้ทันจริงๆแล้วมันก็กลับมาสู่ความไม่มีตัวตนที่แท้จริง นี่คือเราปฏิบัติตัวปัญญาจริงๆคือตัวนี้นะถ้าเราแต่ก็มันจิตมันเปลี่ยนแปลงได้นะปฏิบัติจิตมันเปลี่ยนแปลงแม้แรกๆอย่างที่ว่ามันอาจจะมีคุ้นพอรู้สึกถึงความไม่มีตัวตนจริงๆไม่มีตัวเราไม่มีของเราบางทีมันก็เปลี่ยนนะจิตมันก็เปลี่ยนชีวิตบางอย่างมันก็อาจจะจืดลงนะ แต่ไม่ใช่ไปว่าไม่มีอารมณ์ความรู้สึกนะแต่มันมันมันสบายกว่ากันเยอะนะถ้าเปรียบเทียบนะชีวิตที่พยายามต้องหาสีสันต้องสนุกสนานต้องเพลิดเพลินเลยเนะี่ยคนเราไม่รู้ทันว่ามันเหนื่อยขนาดไหนนะตอนที่มันมีเงินมีความพร้อมมันก็อาจจะดูสนุก แต่ถ้าเราไปติดตรงนั้นน่ะวันหนึ่งเราไม่มีเงินแต่เรายังอยากที่จะสนุกอยากที่จะได้เหมือนเดิมเนี่ยมันทุกข์มากนะ ม, มันวันหนึ่งแม้เรามีทุกอย่างนะแต่ร่างกายไม่พร้อมที่จะเสพนะนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลเนนะี่ยทำอะไรก็ไม่ได้นะมันอดอะไรใจอยากมากแต่ถ้าเราสามารถเข้าถึงสภาวะพวกนี้ได้มีร่างกายที่แข็งแรงอยู่หรือมีร่างกายที่ ไม่สบายก็อยู่กับมันได้นะอยู่กับสิ่งที่เป็นอย่างไม่ได้เปรยอย่างไม่ได้เข้าไปเป็นนะ อ, อยู่กับความเป็นจริงของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงอยู่กับความเป็นจริงของจิตใจที่เปลี่ยนแปลงอยู่กับความเป็นจริงของสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงมันก็อยู่ตรงนั้นได้นะอยู่ไปทีละขนาดนี่อะไนะอยูไนะ่ไปทีละวันทีละวันนะ อยู่ไปที่ล้มหายใจน่นแหละอยู่อย่างรู้สึกตัวนะเราก็จะพ้นออกมาจากความทุกนะข์นะก็จะไม่ดลงเข้าไปปรุงแต่งในความมีตัวตนขึ้นมานี่คือก็ไปฝึกกันนะอันนี้ก็พูดให้เป็นเป็นแนวทางนะเป็นแผนที่แต่จริงเมื่อเรากลับมาแล้วลรู้รู้ตึกที่ปัจจุบันจริงๆนะ มันสัมผัสได้สันทีเลยนะสัมผัสอืมนะฮะแต่ไม่ใช่พยายามคิดเอานะคิดเอาไม่ได้นะอนะ่หมั่นที่จะสัมผัสกับสภาวะความรู้สึกแบบนี้นะกลับมาอยู่กับกลับมาแล้วก็รู้กับสภาวะแบบเนี้บยบ่อยๆเนาะแต่อย่าไปประคองไปอะไรเขาก็แค่กลับ ม, มารู้สึกแล้วก็ปล่อยไปนะทิ้งไปเพราะความ เพราะแม้แต่ความรู้สึกตัวความว่างอะไรต่างๆเมื่อถงเข้าไปยึดมันก็เป็นตัวอีกแบบหนึง่ง <c> ห <oughs> นักก็ฝากไว้